กิยาที่ไม่ควรจะทำแต่วันนี้จะพูดถึงกุศลกรรมบทก็คือกิยาที่ควรจะทำที่ควรประพฤติที่ควรปฏิบัติมีอยู่สิบอย่างก็คือหนึ่งานาติปาตาเวรมณีเว้นจากชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปสองอธินาทานาเวรมณีเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยอาการแห่งขโมยสากาเมสุมิชาจาราเวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมสมุสาวาทาเวรมณีเว้นจากผู้เท็จห้าปิสุนายะเวรมณีเว้นจากผู้โสเียห 6. ภรุสายะวาจายะเวรมณี เว้นจากพูดคำหยาบเจ็ดสัมหับพลาปาเวรมณีเว้นจากพูดเพอเจอ้ 8. อแปดอภิชาไม่โลภอยากได้ของเขาเก้าอพยาปาทะไม่พยาบาทปองร้ายเขาสิบสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามทานองคลองธรรม กรรมติดิอย่างนี้เป็นทางบุญควรดำเนินควรประพฤติปฏิบัติฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายกุศลและกรรมบทเป็นข้อปฏิบัติสาหรับเครือขัดเพราะความสำรวมในการมเป็นความดีของคฤหอัดไม่จัดเป็นความประพฤติผิดแต่เป็นอคกิยกิจของบรัรบชิตโดยทาไม่ได้เลย เป็นอันขาดและทักษะกุศลและกรรมบทสิทธิ์ก็ปรากฏอยู่ว่าเป็นอาคาริยวินัยคือวินัยของผู้ครองเรือนแต่บรรพชิตจะเว้นเสียทีเดียวไม่ได้ข้ออะไรอะไรที่สมควรก็ต้องปฏิบัติตามเหมือนกันนิฉะนั้นจะไม่ดีกว่าครือหัดบางคนที่สนใจในการประพฤติ ธ, ธรรม อันหนึ่งกุศลกรรมบทสิบอย่างนี้ท่านเรียกว่ามนุษยธรรมด้วยฉะนั้นก็อาจจะพูดเป็นข้อๆไปนะเกี่ยวกับเรื่องกุศลกรรมบทโดยเฉพาะในกุศลกรรมบทสิบนี้ก็จัดเป็นกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามคือจัด สามสี่สามนะเหมือนกับอกุศสมกรรมมับดเหมือนกันแต่ว่าเป็นไปในทางตรงกันข้ามคําว่าอุศสกรรมบดบอกแล้วว่าเป็นอกิริยาที่คว ร, ท, ควรที่ควรประพฤติควรปฏิบัติควรสร้างให้มีขึ้นก็คือข้อแรกที่บอกว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้ตกล่วงไปข้อนี้ได้พูดมามากใน ในเรื่องต่างๆเพราะว่าการที่เราเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นก็เท่ากับว่าเราเป็นคนมีเมตตานะเป็นคนให้อภัยการให้อภัยซึ่งกันและกันนั้นถือว่าเป็นการไม่ผูกเวร น, นะเป็นการไม่ผูกเวรแต่ว่าการผูกเวร น, นั้นถือว่าเป็นการเบียดเบียนกันเป็นการจองร้างจองผลาญกัน เพราะว่าคนเราถ้าหากว่าอยู่กันด้วยการไม่ฆ่ากันนะไม่เบียดเบียนกันไม่ทรมานกันหรือว่าไม่มีการข่มเหยรังแกกันโดยอาการต่างๆแล้วแน่นอนที่สุดเราก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เฉพาะแต่สัตว์มนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเหมือนกันแต่ทุกวันนี้เราเอาเปรียบกันนะเอาเปรียบกัน คนไหนมีกำลังมากก็เบียดเบียนผู้มีกำลังน้อยบางทีก็เข้าทำนองที่เรียกว่ า, าสัตว์เล็กเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่นะมันมักจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นการเอาเปรียบกันก็กลายเป็นว่าเราไม่เคารพในสิทธิในชีวิตของกันและกันในเมื่อชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่คนทุกคนหวงแหนเป็นสิ่งที่สัตว์มีชีวิต ทุกประเภทหวงแหนทางนั้นทุกคนกลัวตายจัต์มันก็กลัวตายนะแม่นอนที่สุดเมื่อความตายจะมาปรากฏขึ้นก็ต้องหลบต้องหนีต้องหาทางป้องกันตัวแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีทางหลบหนีไปแล้วแน่นอนที่สุดเข้าตำราที่เรียกว่าสู้จนกรอกหรือที่เรียกว่าสุนัขจนกรอกนะก็สู้แบบชนิดที่เรียกว่าขาดใจ นะสู้แบบขัดใจในในเมื่อตัวเองจะต้องตายก็ต้องสู้นะก็ต้องสู้ฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าการเว้นจากการฆ่าสัตว์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรกระทำนะเราทุกคนควรประพฤติควรเอาใจเขามาใส่ใจเรานะเราคิดว่าใครมารังแกเราเราก็ไม่ชอบใครมาเบียดเบียนเราเราก็ไม่ชอบใครมันมาปล้นฆ่าเรามาจี้เราเราก็ไม่ชอบ อนี่เราก็ไม่ชอบทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อเราไม่ชอบอย่างไรขงเขาก็ไม่ชอบอย่างนั้นเขาก็ไม่ชอบอย่างนั้นถ้าหากว่าคนทุกคนคิดอย่างนี้แน่นอนที่สุดโลกนี้จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขโลกนี้จะอยู่กันอย่างปกติสุขโลกนี้จะอยู่กันอย่างเหมือนกับว่าเป็นสวนแห่งดอกไม้มีแต่ความสดชื่นรื่นเริงบันเทิงใจเรียกว่า แม้แต่ระหว่างคนกับคนก็อยู่กันร่วมเย็นเป็นสุขแล้วทุกเพศทุกชั้นทุกวันนะจะต้องไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ ก, กันเราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องต่างกลัวเวรกลัวกรรมละอายต่อความชั่วในสิ่งที่ตนคิดตนพูดตนกระทำรู้สึกละอายแล้วก็ไม่ทำเกรงกลัวต่อบาปาไม่ทำเกรงว่าเวรกรรมนั้นจะติดตามตัวเราไปนะถ้าหากว่าเราอยู่อย่างนี้ ท่านลองนึกหลับตาดูว่าเป็นจริงอย่างที่พูดไหมเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขผู้ใหญ่อยู่กับผู้น้อยก็มีเมตตาผู้น้อยอยู่กับผู้ใหญ่ก็อยู่ด้วยความเคารพอยู่ด้วยอย่างมีสั ม, มาฆาะนะหรือว่าบางครั้งแม้ว่าจะล่วงล้ำกําเกินกันบ้างก็รู้จักให้อภัยนะรู้จักให้อภัยโดยเฉพาะความเป็นผู้ใหญ่นะ ผู้ใหญ่นีิมักจะมีทิฏฐิมานะนะมีทิฏฐิมานะมักจะอ้างว่าตัวดีตัวเด่นอย่างนั้นอย่างนี้นะสําคัญตัวว่าเป็นผู้เกิดมาก่อนบ้างเป็นผู้รู้ดีบ้างนะเป็นผู้ฉลาดกว่าบ้างเป็นผู้ใหญ่มาบ้างนะหรือว่าข้าเป็นคนมีเงินมากกว่ามีตําแหน่งสูงกว่ามียศสูงกว่านะทาไม ต้องให้เด็กเมาาื่อวานเจอนี่มาต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละจึงทำให้เกิดมานะทิฐิขึ้นนะเกิดอสมนิมานะขึ้นจึงต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างไปบางครั้งก็เป็นไปเพื่อความไม่ยุติธรรมเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้น้อยนะทำให้เขาต้องเดือดร้อนต้องลำบากอันนี้ก็มีอยู่เยอะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปหรือทรมานสัตว์กับขังสัตว์เราไม่กระทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แน่นอนที่สุดเราก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแม้แต่คนกับสัตว์ก็อยู่ร่วมกันได้นะอยู่ร่วมกันได้เมื่อสมัยตั้งแต่ต้นกรรตนะโกศินมาจะเห็นว่ามีที่วัดมหาธาตุนะมีสมเด็จพระสังฆราชไก่เทินถือว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงมากนะมีเมตตาสูงมากเรียกว่าสามารถที่จะเอาไก่ป่านั้น ให้มาอยู่รวมกับไก่บ้านก็ได้ให้มาอยู่ในวัดวารามได้นี่แสดงว่าท่านมีเมตตามากนี่แหละจึงบอกว่าคนเราถ้ามีเมตตาต่อกันไม่ใช่เฉพาะฝูงไก่เท่านั้นพวกสิงสารสาัตว์ก็อยู่ได้อย่างเราได้า เ, เคยได้ยินได้ฟังได้เรียนเรื่องสุวรรณสามสุวรรณสามนี่มีเมตตามากและเป็นคนที่มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณฉะนั้นสุวรรณสามนี้จึงได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ และมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามีเมตตาต่อสัตว์ป่าทุกๆจําพวกเวลาสุวรรณสามจะออกเดินไปหาผลหมากรากไม้พวกฝูงเนื้อต่างๆฝูงไก่ฝูงอะไรแก้งกวางช้างและอะไรก็ปรากฏว่าเดินกันไปเป็นหมู่อเดินล้อมหน้าล้อมหลังก็แซงข้างสุวรรณสามไปหรือว่าจะเดินไปตักน้ําพวกฝูงสัตว์ก็เดินตามไปด้วย นี่เพราะอะไรนี่ก็เพราะเรื่องของเมตตานั่นเองนะเรื่องของเมตตาฉะนั้นเมตตานี้ถ้าปฏิบัติถึงที่สุดแล้วแน่นอนที่สุดจะอำนวยประโยชน์ให้กับเราอย่างชนิดที่เรียกว่าคาดไม่ถึงนะคาดไม่ถึงเลยฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกุศลกรรมบทในข้อนี้ให้เราจงมีเมตตาต่อกันอย่าฆ่ากันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลย อย่าด่าอย่าว่าอย่าสาบอย่าแช่งกันเลยอย่าอิจฉาเสียกันเลยนะมันไม่มีความสุขหรอกนะไม่มีความสุขเลยฉะนั้นเราอยู่ด้วยการให้อภัยกันอยู่ด้วยการปรารถนาดีมีความรักด้วยกันอย่างบริสุทธิ์แนะ่นอนที่สุดก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในข้อที่สองก็เหมือนกันข้อที่สองก็คือให้เราเว้นจากการถือเอาสิ่งของของผู้อื่นนะ มาเป็นของของตนโดยอาการที่เรียกว่าลักขโมยนะลักขโมยหรือว่าบางทีก็ประเภทฉก ช, ชิงวิ่งราวนะฉก ช, ชิงวิ่งราวหรือจะจี้ต้นค่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในอาการของลักขโมยแน่นอนที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้ที่เรามีอยู่หากว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดมาลักเอาไปหรือมาช่วงชิงเอาไปมา เอาไปโดยการงัดแงะหรือในรูปใดก็แล้วแต่เราย่อมเสียดมเสียดายเสียดมเสียดายเพราะว่าสิ่งนั้นเราหามาได้มันไม่ใช่ง่ายอาจจะเดือนหนึ่งหรืออาจจะเป็นปีหนึ่งหรือบางคนก็สะสมมาเป็นเลหลายปีนะเลหลายปีฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าเราต้องเสียดายก็เป็นธรรมดาเราจะเห็นว่ามีการยี่ปล้นเกี่ยวกับการไปเบิกเงินธนาคารกันมากนะ เป็นเปนแสนเป็นล้านๆนะเจ้าหนะ้าที่อย่างนี้รู้สึกว่าเกี่ยวกับเรื่องการจี้ปล้นอย่างนี้รู้สึกว่ามีมากในประเทศไทยเรานะอันนี้ก็เราจะเห็นว่าผู้ที่ต้องสูญเสียเงินไปนั้นบางคนก็ร้องห่มร้องไห้เสียดมเสียดายนะแต่ก็โดยมากก็เป็นพวกบริษัทห้างร้านต่างๆนะที่มีความร่ารวยก็ยังข้อยังชั่วน้อย แต่ถ้าเป็นคนยากคนจนที่ได้สะสมมาเป็นสิบสิบปียี่สิบปีถูกกงไปบ้างอะไรบ้างหรืออย่างที่มีข่าวว่ามีการยักยอกกันมีการปลอมแปลงกันเกี่ยวกับเรื่องพวกเช็คหรืออะไรก็ดีเกี่ยวกับเรื่องสมุดฝากก็ดีอันนี้แหละเป็นการที่อสร้างความเจ็ดช้ําน้ําใจสร้างเวรสร้างกรรมให้เกิดขึ้นอะระหว่างกันและกัน คนที่เสียไปก็ย่อมนอนเป็นทุกข์นะย่อมนอนเป็นทุกข์คิดจะหาทางว่าทำอย่างไรจะได้เงินนั้นคืนมาเมื่อคิดไม่ได้แล้วก็นึกน้อยเนื้อต่าใจเกิดความโกรธเกิดความหลงก็อาจจะคิดเป็นล้างแค้นไปแก้แค้นคนหนึ่งคนนั้นก็ได้นะฉะนั้นอันนี้นี่ยจึงบอกว่าเราควรจะเคารพในสิทธิของกันและกันของเราเหมือนกันใครมาลักเราเราก็เสียดายนะเราก็หวงแหนนะเพราะว่าเป็นการเอาเปรียบ เขาเรียกว่าประเภทชุกมูเปิบนะว่าเราจะได้สะสมได้อย่างนั้นนะบางทีขโมยก็บอกว่ามันขึ้นบ้านตั้งเดือนหนึ่งตั้งสองสามครั้งค้นหมดนะทีวีอ่าพวกวิทยุหรือเครื่องไลคามพระหรือว่าของมีค่าต่างๆ <c oughs> บางที่มันหาอะไรไม่ได้ครกตำเพล็กมันก็เอานี่มันก็โจนอย่างนี้ไม่ไหวนะเรียกว่าล่อนหมดเนื้อหมดตัวจริงๆนะอย่างนี้มันก็เกินไป เนะเกินไปฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายเราอย่าคิดเบียดเบียนกันเลยนะอย่าคิดอย่าคิดถือเอาของผู้อื่นโดยอาการแห่งขโมยด้วยการฉกจิงวิ่งราวหรือว่าเบียดบังในการล้อหลอกในรูปต่างๆนาน า, นา mm hmm. ก็แล้วแต่เราควรจะงดเว้นไม่ควรกระทําเพราะการที่เราไปประพฤติอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเรานั้นทําลายของตัวเองต้องคิดว่า เราฆ่าเขานะสักวันหนึ่งเขาก็ต้องมาฆ่าเราเรารักของเขาสักวันหนึ่งเขาก็ต้องมารักของมารักของเราแน่นอนที่สุดอันนี้มันก็เป็นเวรเป็นกรรมฉะนั้นเราไม่ควรที่จะต้องไปเบียดเบียนเขาธรรมชาติสร้างให้เรามามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอวัยวะเหมือนกันมีมันสมองมีมือมีเท้าให้เท่าเทียมกันทําไมเราไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติสร้างนั้นมาให้เป็นประโยชน์ เขาทำได้เราก็ทำได้แต่จะมากน้อยนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฉะนั้นเราก็ต้องทำได้นะเราคิดอย่างนี้เมื่อธรรมชาติสร้างมาอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะใช้มันสมองคิดให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้มือหยิบทำงานในสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้เท้าเดินหรือยืนยันในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เอามือไปหยิบของผู้อื่นโดยที่โดยอาการลักขโมยหรือว่าไม่ใช่เอาเท้าเอาเตนไปป่ายปีน ตัดช่องย่องเบาอะไรอย่างงั้นมันไม่ถูกนะเขาเรียกว่าใช้ธรรมชาติที่มีอยู่ไม่เป็นก็มีแต่ทางที่จะเกิดทุกเกิดโทษเกิดความเดือดร้อนดีไม่ดีเขาเขาก็ยิงตายหรือตำรวจจับอะไรนี่ก็เห็นมีข่าวว่ามีขโมยเมื่อเช้านี่ไปลักเต่าที่วัดบวรที่ท่านสาธุชนทั้งหลายนำมาสะดอกเคราะห์ต่อชะตาต่างๆนานาอเจ้านี้ก็เลยถือโอกาสเอาก็สอบไปใส่มาเยอะว่างั้นถึงก็เรียกว่า เป็นกระสอบตำรวจก็เลยจับได้ถามบอกว่าจะเอาไปทําอะไรบอกว่าจะเอาไปแก้มเล่านี่เป็นอย่างนั้นไปนะเป็นอย่างนั้นนี่แหละถ้าหากว่าเขามากินเนื้อเรามั่งเราจะคิดอย่างไรนะขนาดเรานี่ถูกเอหนามมันทิ่ม น, นิดหน่อยก็เจ็บถ้าหากว่าเตามันกัดมั่งเราก็เจ็บแทบตายแต่ว่าเรานี่ไปฆ่ามันนะฆ่ามันยังน้ำไม่พอยังเอาเนื้อมันมากินอีก เนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นเวรเป็นกรรมมากอตัวคนเรานี่มันเป็นยักษ์เป็นมาร น, นะเป็นยักษ์เป็นมารฉะนั้นเราอย่าประพฤติในสิ่งที่อาการที่เรียกว่าลักขโมยหรือว่าช่วงชิงวิ่งราวาตัดช่องย่องเบาอันเป็นการทําให้ทุกเดือดร้อนแก่ตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาติไม่ดีนะไม่ดีปราการที่ประการที่สามก็คือการเมสุมิจฉาจาั์ ก็คือเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมคำว่าเว้นจากการผุดประพฤติผิดในกรรมนี้ก็แน่นอนที่สุดในคําว่ากรรมนี่ก็หมายถึงว่าประพฤติผิดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอันนี้ะถือว่าเป็นประเภทวัตถุการรมหรือกรรมมาคุณห้าที่คนเรามักจะติดหลงไหลไฝฝันกับสิ่งเหล่านี้จนทําให้ใจนั้นหมกมุ่นไม่เป็นอันทํางานทําการ ทำให้เสียเวลาทำให้เสียทรัพย์สินเงินทองนะทำให้เสียการงานทำให้เสียสุขภาพจนกระทั่งที่สุดก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะฉะนั้นเราแน่นอนที่สุดจะต้องไม่ประพฤติผิดในการมโดยเฉพาะในข้อนี้นะโดยเฉพาะในข้อนี้พวกชีวิตคารวะนั้นเขาก็มีการประพฤติกันแต่ว่าอย่าทำอะไรให้มันผิด ตามทรรนองคลองธรรมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีขนบมรำเนียมประเพณีมีแบบมีแผนถ้าหากว่ามันผิดไปแล้วมันก็เกิดทุกเกิดความเดือดร้อนฉะนั้นเราจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมแล้วก็ให้ยึดในหลักที่เรียกว่ามีศรัทธาระสันโดษในข้อปานาติบาตนั้นเราต้องมีเมตตาข้อที่สองอนินาทานนั้นก็คือเรามีสัมมาชีวะ มาในข้อที่สามก็คือมีศรัทธาสันโดษยินดีในภรรยาของตนกามาสังวรสำรวมในการก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนิให้ยินดียินร้ายในเมตตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลมกลิ่นเล้นเล็มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนะึกคิดในอารมณ์ต่างๆเราคิดได้อย่างนี้แล้วก็สบายใจด้วยกันทุกๆุกฝ่ายเพราะการที่เราไปประพฤติผิดประเวณีโดยอาการต่างๆนั้นเป็นการข่มเหงน้ําใจซึ่งกันและกัน สามร้ายก็คือว่าเท่ากับว่าเรานี้ไปสร้างเวรสร้างกรรมนะไปสร้างเวรสร้างกรรมไม่ใช่เฉพาะแต่ลูกเขาเหงยเขาเท่านั้นทําให้พ่อแม่เขาเดือดร้อนอีกด้วยนะทำให้สามีภรรยาเขาเดือดร้อนอีกด้วยฉะนั้นข้อนี้หละเราควรจะคิดให้จงหนักนะควรจะคิดให้จงหนักอ่าทั้งสามอย่างนี้ตั้งแต่ปานาทิบาตอธินนาทานกามเมสูมิชฌาจานี้จัดเป็นกายกรรมนะ เป็นความดีทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ตะพฤ้นปิดในกานี่เป็นความดีทางกายอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่น่ายกย่องน่านับถือนะมาในข้อที่สี่มุสาวาตนะคือเว้นจากการพูดคำเท็จนะเว้นจากการพูดคำเท็จนะเว้นจากการพูดส่อเสียดปิสุนายะครุษายะ นะเว้นจากการพูดคำหยาบสัมปปลาปะก็คือเว้นจากการพูดเพอรเจอร์คนเราถ้าหากว่าพูดจาไม่มีความจริงนะชอบพูดยุยงส่งเสริมคนอื่นให้เขาแตกกันชอบพูดคำหยาบจะโชคโคกโฉกหักนะนะนะแล้วก็พูดเพอเจอไม่มีสาระเหลวไหลไร้สาระนะอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะเป็นคนที่าขาดความนับถือขาดความเชื่อมั่น ใครที่มาสมาคมด้วยก็ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้แต่เมื่อเราเว้นจากการพูดคําเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคําหยาเว้นจากการพูดเพ้อเจื่อเสแล้วแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขความสบายเพราะคุณที่พูดความจริงนั้นแน่นอนที่สุดเป็นคนที่คนยกย่องคนนับถือเพราะพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสไว้แล้วว่า สัจเจนะกิตติปโปโติตนะว่าคนย่อมถึงซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศนะความมีชื่อเสียงเกียรติยศได้ก็เพราะมีสัจจะคือความจริงใจะทอ้ะนั้นจึงได้พระพุทธจึงได้มีพุทธภาษิตอีกบทหนึ่งว่าสัจจังเวอมตาวาจาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะเป็นสิ่งไม่ตาย คือความจริงมักจะเป็นอมตะอยู่เสมอฉะนั้นคําพูดของนักปราชญ์หรือคําพูดขององค์สมเด็จพระสัมมาวเจ้าจึงเป็นอมตะเป็นคําพูดที่ไม่ตายเป็นพระดํารัสที่ไม่ตายยังมีให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ทุกวันนี้คําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาวิมเจ้าทั้งหมดยังปรากฏให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนและก็เป็นสิ่งที่ทันสมัยใหม่เสมอไม่ล้าหลังยังอที่พวกเราก็ยังศึกษาเล่าเรียนกันอนี่แหละจึงบอกว่าเป็นอมตะ ฉะนั้นถ้าหากว่าเราทุกคนเหมือนกันพูดด้วยความจริงนะพูดความจริงพูดคําอ่อนหวานนะพูดมีประโยชน์นะพูดมีประโยชน์เกื้อกูลกันพูดประกอบด้วยเมตตาแล้วก็พูดให้ถูกกาละเทสะแน่นอนที่สุดเราทําอย่างนี้ได้เราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญใครก็อยากเคารพใครก็อยากบูชาและคนประเภทนี้ก็มักจะมียศมีตําแหน่งนะเรียกว่าเจริญด้วยลาบยศ สุขสรรเสริญครบบริบูรณนะ์ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงยึดหลักไว้ว่าจงเว้นจากการพูดคำเท็จเว้นจากการพูดสอเสียดนะเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อแน่นอนที่สุดจะอยู่ในสมาคมใดก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวนะจะไม่มีความเสื่อมเลยนะนี่ทั้งสี่ข้อนี้จัดเป็นวจีกรรม เป็นวจีกรรมคือกรรมที่ทําทางวาจาก็คือทางปากนั่นเองนะทางปากก็ขอให้เราทุกคนนั้นใช้ปากให้เป็นประโยชน์คนเราถ้าใช้ปากเป็นประโยชน์แล้วรู้สึกว่ามันเป็นเงินเป็นทองมากนะเป็นเงินเป็นทองมีค่าควรแก่การยกย่องบูชานะคือปากแล้วมันมีหน้าที่อยู่สองอย่างคืออย่างหนึ่งก็คือกินอีกอย่างหนึ่งก็คือพูด ฉะนั้นในเมื่อเราจะกินก็คือกินให้เป็นนะการรับเข้ากับการเอาออกนั้นต้องพอดีกันต้องกินอาหารไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่าไปกินที่มันไม่เป็นประโยชน์เช่นกินของเหมือนเมาโซฟินกินกัญชาหรือว่ากินพวกสุราเมรัยหรือว่ากินดินกินหินกินปวดกินทรายกินบ้านกินอะไรสารพัด ที่เราเรียกกันว่าคอรัปชันอย่างนั้นที่เราเรียกว่ากินโน่นกินนี่อะไรกันนะ่ะอันนี้เราจะต้องงดเว้นสิ่งเหล่านี้ให้รู้จักกินนะกินให้เป็นกินในอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอาหารที่ถูกสุขลักษณ์สุขลักษณะอนามัยนะก็คือที่สะอาดนะที่สะอาดอย่างนี้ก็จะมีประโยชน์แก่ร่างกายของเราเป็นอย่างมากและก็จะทําให้เรานั้นไม่เป็นโรคนะไม่เป็นโรค เกี่ยวกับทางเดินอาหารนะก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เรานั้นพูดให้เป็นนะพูดให้เป็นการพูดให้เป็นนั้นก็คือข้อสำคัญต้องพูดให้ถูกบุคคลพูดให้ถูกกาละเทศนะรู้จักพูดถ้าเรารู้จักพูดแน่นอนที่สุดมันเป็นประโยชน์มากเพราะคนเรานั้นรู้สึกว่าทาพูดง่ายที่สุด นะเจอกันก็ต้องทักทายต้องพูดปราโอภาปรสาสใยแล้วนะฉะนั้นเรื่องปากนี่จึงเป็นสิ่งสําคัญฉะนั้นแต่ถึงกระนั้นคนเราก็ไม่ไม่รู้จักใช้ปากให้เป็นประโยชน์นะไปพูดในสิ่งชอบใช้ปากไปติเช่นนินทาคนอื่นพูดสอเสียชู้ยงผู้อื่นพูดจาเหลวไหลนะเรียกว่ามีปกตินิสัยเป็นคนชอบอิจฉาเสียถือว่าเป็นงานอดิเรกว่าอย่างนั้นเถอะนะเป็นงานอดิเรก วันวันหนึ่งถ้าไม่ได้ติดชิ้ น, นินทาผู้อื่นแล้วรู้สึกว่าท้องมันอืดท้องมันเฟอ้อนี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราจะต้องหยุดนะต้องหยุดต้องระ ง, งับต้องรู้จักละรู้จักวางเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความสบายนะนี่เป็นสิ่งสำคัญทีนี้ก็มาในข้อที่แปดก็คืออภิชาไม่โลภอยากได้ของเขานะไม่โลภอยากได้ของเขาการไม่โลภอยากได้ของเขาก็เท่ากับว่า เรานั้นเป็นคนรู้จักเสียสลัดและก็รู้จักพอนะในคนเราถ้ารู้จักพอแล้วแน่นอนที่สุดจะเป็นคนที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแต่คนที่ไม่รู้จักพอเนะี่ยมันก็มีทุกข์มีเดือดร้อนทุรนทุรายอยากได้อยู่ร่ำไปนะไม่รู้จักหยุดรู้จักหย่อนถูกความโลภมันเบียดเบียนนะถูกความโลภมันเบียดเบียนมันบียบังคับนะต้องให้ดินรนไปต่างๆนาะนาะนี่แหละ ในความโลภนี่มันมันมืดมิดนะมันปิดผูปิดตาปิดใจของเราทำให้เราไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วฉะนั้นเราก็เลยทาอะไรตามอาเภอใจการทำอะไรตามอำเภอใจนั่นแหละจึงเป็นความโลภเป็นการประมาทอย่างใหญ่หลวงนะเป็นการประมาทอย่างใหญ่หลวงฉะนั้นขอให้เราทุกคนอย่าเป็นคนโลภเมื่อเราไม่โลภเราก็เป็นคนต้องให้ทานต้องเป็นคนต้องเสียสละ าการให้ทานเสียสละนั้นก็ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องเสียแต่ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเสียแต่ ว, วัตถุเสื้อผ้าอาภรณ์ท่อนสบายหรืออาหารหยกยารักษาโรคที่อยู่อาศัยไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนั่นมันก็เป็นอย่างหนึ่งหรอกถ้าเรามีแต่ว่าการที่เราเสียสละแรงกายแรงใจไปช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานประกอบกิจที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม อ, อันนี้มันก็ถือว่าเป็นการเสียสละเรียกว่าวิ ย, ยา ว, วัจหมายบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายในการช่วยกันสร้าง การงานต่างๆหรือว่าเป็นใช้ปากด้วยการช่วยบอกแนะนำพร่ำสอนตักเตือนกันในสิ่งที่ดีที่งาม อ, อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นจึงบอกว่าเราทุกคนต้องเป็นคนเสียสละแล้วจะมีแต่ความสุขมาในข้อที่เก้าก็คืออัพยาบาทก็คือไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นการที่เราไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นก็เราก็มองเห็นว่า การไปคิดอาฆาตพยาบาทต่อกันนั้นมันเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนบางครั้งเราเขาไม่รู้ตัวแต่ว่าเราไปคิดอาฆาตอยู่คนเดียวไม่เดือดร้อนอยู่คนเดียวอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรนะบางครั้งเนี่ยคนที่เราไปโกรธไปคิดอาฆาตเห็นเขาไม่รู้ตัวเลยสักนิดหนึง่งแต่ว่าเราเอามานอนคิดเป็นวักเป็นเวรเป็นวันเป็นคืนมันจะได้ประโยชน์อะไรนะเรามาฆ่าตัวเองนะก่อนที่เราจะไปพยาบาทไปคิดฆ่าผู้อืน่นคิดทำลายผู้อืน่นเนี่ยก็คือเราฆ่าตัวเองไปแล้ว ค่าตัวเองไปแล้วว่าคิดแล้วว่าเราจะใช้วิธีไหนจะไปพบที่ไหนเมื่อไรไปเวลาใดเนี่ยรู้สึกเราต้องเสียศูญเสียมันสมองที่ต้องคิดไปมากนะเสียเวลาเวลาและจะไปกลางคืนหรือไปกลางวันเอ่าไปตอนไหนต้องไปสืบเสาะดูเขามีอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลําบากเรื่องยุ่งยากเป็นการฆ่าตัวเองนะฉะนั้นเราอย่าเป็นคนคิดอาฆาตพยาบาทกันเลยมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันนะ อย่าเบียดเบียนกันเลยนะไม่มีความสุขเนาะนะคนเราหนะ่ะถึงเราไม่ฆ่าเขาก็ตายถึงไปฆ่าเขาก็ตายถึงเราไม่ฆ่าเขาก็ตายตัวเราเหมือนกันนอะถึงใครไม่มีใครมาฆ่าเราเราก็ตายนะมันก็ต้องตายแต่ว่าต่างแต่ว่าจะตายเร็วหรือตายช้าเท่านั้นเองฉะนั้นเราอย่า อาฆ่าพยาบาทจองร้ายจองล้างจองผลาญกันเลยมันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนและเป็นพิษเป็นภยัยเป็นเวรเป็นกรรมที่จะติดตามตัวไปทั้งในพกนี้และในพวกหน้าข้อที่สิบก็คือสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบตามทรรนองคลองธรรมคำว่าคลองธรรมนี้ก็เคยพูดไปหลายที่แล้วที่บอกว่าคำว่าคลองธรรมก็คือว่าเห็นถูกเห็น เห็นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคือประพฤติตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้ทั้งหมดนั่นแ่ละเรียกว่าเห็นตามทํานองคลองธรรมแต่ถ้าไม่เห็นตามนั้นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีเห็นว่าทำชั่วกลับได้ดีอย่างนี้ถือว่าเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมพวกเห็นผิดนี่ก็คือตัวมิจฉาทิฏฐินะตัวมิจฉาทิฏฐิแต่ว่า น, นี่เห็นถูกก็คือตัวสัมมาทิฏฐิในข้อที่สินะตัวสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นชอบตามทํานองครองธ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 ในหัวข้อเรื่องว่าบุญกิยาวัตถุสิบอย่างนะบุญกิยาวัตถุสิบอย่างบุญกิยาวัตถุก็คือว่าสิ่งที่ให้สําเร็จในการทําบุญนะสิ่งที่ให้สำเร็จในการทําบุญหรือว่ากิยาที่กระทําบุญหรือว่าวัตถุที่ควรแก่การทําบุญนะคําว่าบุญนั้นถ้าว่าเราแยกออกไปอีกก็มีความหมายหลายอย่าง คำว่าบุญนี้แปลว่ากรองก็ได้คือกรองกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดคำว่าบุญนั้นแปลว่าเต็มก็ได้คือคนที่ทําบุญนั้นจะต้องเต็มอกเต็มใจทำถ้าหากว่าไม่เต็มใจทําก็ย่อมได้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มนวยนะหรือคําว่าบุญนั้นแปลว่าความสุขเพราะว่าคนที่มีบุญนั้นเป็นคนมีความสุขและทุกคนก็ปรา้ถนาความสุขฉะนั้นคนตา้งนาความสุขนั่นแหละคือ ความหมายของคำว่าคนมีบุญหรือคนต้องการบุญฉะนั้นบุญนี้ไม่ควรจะกลัวกั น, นเราไม่ควรจะกลัวเพราะว่าคนไหนมีบุญคนนั้นก็มีความสุขที่ไหนมีการทําบุญที่นั้นก็มีความสุขมีแต่ความเจริญนมีแต่ความเจริญฉะนั้นขอให้เราทุกคนอย่า ก, กลัวบุญกันเลยนะอย่า ก, กลัวกันเลยเป็นสิ่งที่เราควรจะสร้างสมกันพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่า สุขโภปุญญาสัอุจโยการสังสมบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขนะค่อยๆสังสมไปทีละนิดทีละหน่อยทําบ่อยๆเข้ามันก็มากเหมือนกับตัวเปลกืก อ, อาศัยว่าทําเทีลนนิดแตหน่อยทําบ่อยๆเข้ารู้สึกว่าจากแค่ชั่ววันชั่วคืนก็เป็นกองใหญ่นะกองใหญ่กองสูงนะคล้ายเหมือนว่าเป็นภูเขาย่อมๆคนเราเหมือนกันถ้าหากว่าทําบุญทีละนิดละหน่อยทําบ่อยๆมันก็เต็มเข้าสักวันหนึ่งได้ดังนั้นขอให้เรา พยายามทำบุญกันเถิดก็จะได้ไปเกิดในที่ดีนะในบุญติยาวัตถุสิบอย่างในข้อแรกก็คือหนึ่งทานลไมบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน 2. สองศีลไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลสามภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาสีอ่อาปจายนะไมบุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมทำตนต่อผู้ใหญ่ ห้าวิ ย, ยาวจัจะไม่บุญสําเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบหกปฏิทานไม่บุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญเจ็ดปัตตานุโมทนาไม่บุญสําเร็จด้วยการอุตุโมทนาส่วนบุญแปดทำมัตสวนรณามัยบุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมเก้าทำมัตสวนรณามัยบุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรมสิบทิฏฐุชุกรรม การทําความเห็นให้ตรงนะการทําความเห็นให้ตรงทั้งสิบอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นบุญกิยาวัตถุนะการทําบุญ เ, เรียกว่าบุญกิยาวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบําเพ็ญบุญก็เรียกว่าบุญกิยาวัตถุก็บุญกิยาวัตถุนั้นไม่ใช่จะมีแต่เพียงการให้ทานนักษาศีลเป็นข้อข้ออขึ้นในทางพระพุทธศาสนาที่เราได้กระทํากันเพียงเท่านั้นนะ ฉะนั้นเราควรทราบว่าการที่เราจะประพฤติอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นและ ว, วินยูชนรับรองว่าเป็นการกระทําดีหรือว่าการประพฤติให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นทั้งสิ้นเรียกว่าบุญปิยาวัตถุนะเรียกว่าบุญปิยาวัตถุฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงพากันเจริญเกี่ยวกับเรื่องพากันบาเพ็ญเกี่ยวกับเรื่องบุญปิยาวัตถุก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียว ในข้อหนึ่งที่บอกว่าทานใหมายบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานการบริจาคพัสดุของตนสละให้เป็นทานแก่ผู้ควรให้หรือว่าผู้ควรรับทั่วๆไปด้วยจิตคิดจะนุเคราะห์หรือบูชาคุณหรือว่าตั้งใจอุดหนุนให้กิจนั้นๆสำเร็จประโยชน์ก็ดีหรือเป็นสาธารนณะประโยชน์ก็ดีการที่เราเสียสละหรือบริจาคอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นบุญปิยาวัตถุอย่างหนึ่ง ก็คือว่าในข้อทานทใไมบุญสมเด็จด้วยการให้ทานการให้ทานนั้นนะความมุ่งหมายจริงๆก็คือว่าหนึ่งเป็นการให้เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันการให้เพื่อสงเคราะห์ก็คือว่าในคราวที่เพื่อนของบ้านของเราเพื่อนร่วมชาติของเราต้องตกทุกข์ในยากในคราวที่เกิดน้ำท่วมเรีย ก, กว่าอุทกภัยหรือเกิด พายุพัดจะเรียกว่าวาตภัยนยเกิดอักขีภัยเนี่ยอันนี้เราจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนเราเมื่อประสบปัญหากับสิ่งเหล่านี้มักจะบางคนก็หมดเนื้อประดาตัวนะเราจะเห็นเยอะเห็นหนังสือพิมพ์ลงเนี่ ย, ยไฟไหม้แล้วเขาถ่ายรูปมาไม่มีอะไรก็เห็นมานั่งเก็บข้าวของทุยโถช้ำานิดหน่อยๆมากองมาร้องไห้คร่ำครวญดูแล้วก็น่าสงสาร เพบางคนเวลาไปไม่บางทีก็ไม่ได้อยู่บ้านตั้งกลับมาหาที่บ้านไห่เจอจําไม่ได้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ก็มีก็มาคุยก็ไม่เหลืออะไรเลยถ้วยโถโอชามก็หลอมละลายไปหมดนี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันการให้อย่างนี้เรียกว่าให้เพื่อสงเคราะห์กันแล้วการให้เพื่อบูชาคุณก็คือให้ผู้มีพระคุณ ผู้มีพระคุณก็มีตั้งแต่บิดามารดาหรือผู้ใหญ่ที่เคยให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลเราครูอุปชาอาจารย์ของเรานะหรือให้ครับให้บูชาคุณประพุติบูชาคุณประธรมบูชาคุณประสงค์อย่างนี้ในะชื่อว่าให้ให้ผู้มีคุณหรือพระราชาหมหากษัตริย์ต่างๆอย่างนี้เนะี่ยได้ชื่อว่าเป็นการบูชาคุณหรือว่า เ, อาเราให้เพื่อเป็นการกำจัดความตนนะีกำจัดกิเลส คือให้ทั้งสองอย่างก็รวมอยู่ในการกําจัดความตะณหกกาจัดกิเลสที่เรามีความเห็นแก่ตัวอยู่ในใจนะเราก็ต้องเสียสละให้หมดไปเสียสละออกไปเราก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจนะมีแต่ความสุขกายสบายใจสุขกายสบายใจเพราะได้ช่วยเหลือคนอื่นในคนเราถ้าไม่ช่วยเหลือคนอื่นมันก็เป็นคนเห็นแก่ตัวใ้คนเห็นแก่ตัวมันทุกข์ทุกข์เพราะว่ากลัวว่าทรัพย์สมบัติตัวเองจะหมดไป ทุกพวกว่อกลัวผู้อื่นจะต้องมาแย่งเอาความสุขของตนไปนี่ทุกอย่างนั้นเห็นใครเขาเดินผ่านหรือเขามาเรี ย, รยอะไรอะไรก็กลัวว่าตัวเองนั้นจะถูกเขามาบอกบุญแนละ้วก็จะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจต้องลบๆซ่อนๆ น, นี่เป็นประเภทคนเห็นแก่ตัวนะคนเห็นแก่ตัวฉะนั้นเพราะว่าคนเราที่เกิดมานั้นไม่ได้อยู่คนเดียวจะต้องอยู่ร่วมกันนะการอยู่ร่วมกันก็จะต้องอาศัยซึ่งกันเลยกันนะเป็นธรรมดาขออย่างเดียวว่า ให้เราทุกคนนั้นให้ด้วยความตั้งใจนะการให้โดยการตั้งใจนั้นมันเป็นบุญเป็นกุศลมากต้องประกอบด้วยเจตนาทั้งสามคือหนึ่งก่อนให้ก็ตั้งใจไว้ดีนะตั้งใจไว้ดีแล้วว่าปลุกนี้จะทําอย่างนั้นปลุกนี้จะตักบาตรปลุกนี้จะใส่บาตรทาบุญหรือว่าพลุกนี้จะไปฟังเทศที่วัดโน้นวัดนี้อันนี้เขาเรียกว่าปลุพกพระเจตนาจิตดวงแรกตั้งไวด้ดีอย่างนี้ก็ได้บุญมากแล้วนะได้บุญมากเลย ประการที่สองอป ร, ราประอัมประการที่สองก็คือมุนเจนะเจตนาในขณะที่ทำบุญให้ทานนั้นก็ตั้งเจตนาไว้ดีก็คือไม่เสียดมเสียดายนะเมื่อให้ไปแล้วก็ไม่เสียดายรู้สึกปลื้มใจที่ได้ทาบุญรู้สึกปลื้มใจที่ได้ใส่บาตรรู้สึกปลื้มใจที่ได้ช่วยเหลือเพล่อกคนคนที่ตกทุกข์ได้ยากรู้สึกปลื้มใจที่ตัวเองได้ ไปช่วยคนชราหรือว่าช่วยเด็กปัญญาอ่อนหรือว่าช่วยคนหูหนวกตาบอดหมู่บ้านเมตตาหมู่บ้านนาฏวิธีหมู่บ้านบางแค้แอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเรามีโอกาสได้ร่วมสร้างสารคประโยชน์เจงสั่งโรงพยาบาลสั่งโรงเรียนนะสั่งโรงเรียนสั่งถนนหนทางอันนี้มันเป็นบุญทางน้นเลยนะเราปลื้มใจนะอย่างนี้แหละเรียกว่ามุญจริเจตนามีเจตนาดีในขณะที่ให้ ประการที่สามก็คืออาปา ร, ราประเจตนาเมื่อให้ไปแล้วก็เกิดความปลื้มใจดีใจนะอย่างนี้ใช้ได้อันนี้ก็มีเรื่องที่แปลกๆท่านนัเกเรยียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายคืออาตมานี่เคย เ, เคยพบเคยเห็นนะครั้งหนึ่งนั่งชันอาหารอยู่นะที่คณะนะอยู่ที่คณะก็ปรากฏวันนั้นก็ฉันอยู่กับเพื่อนๆ พ, พระ ลูกคณะมือกันอเจ้าคุณท่านไม่อยู่ก็มีคุณหญิงท่านหนึ่งก็ชิวเป็นโตเท้าใหญ่พร้อมด้วยมีหม้อข้าวมีอะไรเยอะมากันคนใช้อีกสองสามคนก็ถามว่าจะมาเลี้ยงข้าวท่านเจ้าคุณท่านอยู่หรือเปล่าก็บอกว่าวันนี้ท่านเจ้าคุณไม่อยู่เราคุณโยอมท่านไปชั้นข้างนอกอพูดแค่นั้นเลยโยมเอาของนั้นกลับทันทีเลยดูสินึกว่า นึกว่าเรานี่วันนี้ได้ลาบลอยที่ไหนได้ลาบก็เลยลอยไปซะจริงๆริงนี่แหละเขาเรียกว่าทีแรกนัดตั้งใจจะมาเป็นบุญอยู่แล้วเลี้ยงอยู่แล้วแต่พอจิตดวงที่สองมุนชนะเจตนาไม่เกิดสละไม่ได้ไนะไอ้มุนชนะนี่ยบอกปล่อยละลงไปเนี่มันละไม่ได้เลยต้องหิ้วกลับอันนี้แหละเรียกว่าจิตดวงที่สองไม่เกิดขึ้นดวงที่สามมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ได้บุญไม่เต็มที่ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะนิดนิดหน่อยหน่อยนะ แล้วก็เคยไปเทศแทนเมื่อก่อนเคยไปเทศเทศแทนอท่านเจ้าคุณครั้งหนึ่งนะเคยไปเทศแทนท่านก็ปรากฏว่าอก่อนไปนี่เจ้าภาพเขาติดกันเทศไว้พันบาทนะติดกันเทศไว้พันบาทแต่พอ ร, รู้ว่าเจ้าคุณไม่ไปเปลี่ยนตัวเอาออกเสีค่ารอยแม่รู้สึกว่าลดลงยิ่งกว่าน้ําน้ําลงน้ําขึ้นน้ําลงสิอีกอย่างนี้มันก็แย่เกินไปนะนี่เขาเรียกว่า จิตไม่เป็นบุญกุศลนะไม่เป็นบุญกุศลในในจิตดวงที่สองนะในขณะที่จะให้ไม่ดีนะฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นตรงเป็นใจเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญสุนทานนะประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นมากนะประโยชน์จะเกิดขึ้นมากฉะนั้นจึงบอกว่าการให้ทานนี่เป็นการเฉลี่ยความสุขให้กันและกันเท่าที่เราพอสมควรจะสลาบได้ก็ทำไปเถิดนะทาไป เพราะคนที่จะให้ได้นั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ชนะตัวเองการชนะตัวเองนั้นประเสริฐที่สุดการชนะคนอื่นตั้งหมื่นตั้งแสนนั้นไม่ประเสริฐเท่ากับชนะตัวเองเพียงคนเดียวนะมาในข้อที่ 2, สองศีละไมยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลการที่บุคคลมีเจตนาตั้งใจสำรวมรักษากายวาจาให้เรียบร้อยปราศจากอคุสนกรรมและโทษอันจะพึงคาหา เรียกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลนั้นก็จัดว่าเป็นบุญอีกประการหนึง่งจัดว่าเป็นบุญอีกประการหนึง่งก็คือว่าศีลนั้นเป็นคือเป็นการป้องกันความชั่วที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางกายทางวาจาและก็คนที่มีศีลนั้นก็คือเป็นคนที่นอกจากจะเว้นจากการเบียดเบียนกันเว้นจากการ รักทรัพย์เป็นจากการประพฤติผิดประเวณีหรืออะไรก็แล้วแต่นอกจากนั้นแล้วก็ยังทําสังคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะที่คนครอบครัวใดมีศีลครอบครัวนั้นเรียบร้อยคนตําบลใดมีศีลตําบล น, นั้นเรียบร้อยคนอําเภอใดมีศีลคนอําเภอนั้นเรียบร้อยคนจังหวัดใดมีศีลคนจังหวัดนั้นเะรียบร้อยนะประเทศชาติใดคนมีศีลกันมากประเทศชาตินั้นก็เรียบร้อยนะหรือว่าตาม กระทรวงกรมกองต่างๆหรือตามสถานที่ต่างๆถ้าหากว่ามีคนมีศินมากแน่นอนที่สุดก็จะมีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยฉะนั้นจึงบอกว่าขอให้เราทุกคนนั้นจงรักษาสินกันการรักษาศีนนั้นก็มีเป็นขั้นเป็นตอนนะเป็นพื้นฐานก็คือคนเราจะต้องมีนิติสินก็คือศีลห่านะ ศีลห้านั่นแหละคือว่าเป็นนิดที่เราทุกคนควรจะประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นนิตนะควรจะมีอยู่เป็นนิตนะก็คือมีตั้งแต่การไม่ฆา่ า, าสตัตว์การไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดโกหกไม่เดินุราเมรายนี่ต้องมีอยู่ทุกคนนั้นผู้ที่ปรารถนาความดีหรือบุญที่สูงขึ้นไปกว่านี้ก็รักษาศีลแปเรียกว่าอุโบสถศีลอุโบสถศีลก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคือเว้นการมวยพวกอาหารในยามมีการนะ บริโภคอาหารใยามมีการแล้วก็เว้นจากการาทัดทรงระดับของหอมนะโลคไร้ของหอมอหรือป้อนรำขับร้องประคมดนตรีเป็นต้นแล้วก็ห้ามนั่งนอนบนที่นอนอันสูงใหญ่ภายในอันยับได้ น, นุ่นและสำลีนะแต่ในข้อที่สามนั้นเปลี่ยนจากกาเมมาเป็นอรัรรามนะมาเป็นอพรามเนี่ยก็คือว่าประพฤติตัวอย่างพรหมนะประพฤติตัวอย่างพรหมทีนี้เรียกว่า เป็นศีลสิทก็คือเป็นศีลของสัมมเนนนะเป็นศีลของสัมมเนนอันนี้เรียกว่ามัดชิมศีลนะศีลแปดศีลสิบนี่เป็นมัดชิมศีลเป็นศีลอยู่ในขั้นกลางแต่ผู้ติฏฐาธนาจะสูงขึ้นไปกว่านี้ก็อเรียกว่ามหาศีลก็คือเป็นศีลที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติกับพวกพระภิกษุมีสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อนะอันนี้ก็สูงขึ้นไปวิธีการรักษาศีลนั้นก็ต้อง อยู่ในวิรัตสามก็คือสมาทานวิรัตงดเว้นด้วยการสมาทานไว้ก่อนหรือว่าสมาทานกับพระพุทธสมาทานกับประสงค์แล้วก็สัมปัตตาวิรัตก็คืองดเว้นด้วยการในเมื่อมีเหตุการณ์มาประจวบเข้าเฉพาะหน้านะเช่นว่าเราเดินไปไปเห็นสร้อยคอทองคาตกอยู่ขวางห้าสิบบาทนะแล้วก็ต้องนึกสมาทานอยู่ในใจว่าเราจะไม่ถือเอาเป็นของของตนนะ แต่ว่าเราอาจจะถือเอาไปประกาศให้คนอื่นเขารู้เขาทราบว่าได้เก็บใส่ออขอตกที่นั่นที่นี้เมื่อเวลาเท่านั้นเท่า น, นี้นะอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรฉะนั้นจึงบอกว่านั่นแหละเราจะต้องงดเว้นในขณะเมื่อเราประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและการสุดท้ายก็คือสมุดเฉต ท, ทวีรัตก็คืองดเว้นโดยเด็ดขาดอันนี้เป็นศีลของพระอริยเจ้านะศีลของพระอริยเจ้า ฉะนั้นถ้าหากว่าเราทุกคนมีศีลแล้วแน่นอนที่สุดก็ป้องกันความชั่วที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวา จ, จาสังคมก็จะอยู่กันอย่างปกติสุขไม่มีการเบียดเบียนกันมีแต่ความร่มเยน็นนะมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความเกื้อกูลมีแต่ความปรารถนาดีกันยิ่งไปกว่านั้นการพูดจาหรือว่าการสมาคมกันก็ไม่มีการโกหกหลอกลวงแน่นอนที่สุดทุกคนก็ เมื่อไม่มีการเหียดเยียนกันไม่มีการผิดศีลธรรมกันแล้วก็จะอยู่ก็เป็นสุขนะนอนก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขอยู่ตลอดเวลานะนี่อย่างนี้เรียกว่าศีลใหม่บุญสมเร็จ ด, ด้วยการรักษาศีลข้อที่สามภาวนาใหม่บุญสําเร็จ ด, ด้วยการเจริญภาวนาก็คือการที่บุคคลตั้งใจอบรมบุญกุญลให้เกิดขึ้นในจิตใจอ่านะจะเป็น ทสมาธิก็ดีจเจริญสมถานกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีนะอันนี้ก็เลยชื่อว่าอาเรานั้นจเจริญภาวนาเพราะคําว่าภาวนานี่แปลว่าอบรมก็ได้แปลว่าทําให้จเจริญก็ได้นะภาวนานี่แปลว่าจเจริญก็ได้นะเช่นเรียกว่าจิตภาวันนะก็คือทําจิตให้จเจริญหรือแบบอบรมจิตก็ได้นะฉะนั้นอันนี้เราทุกคนควรจเจริญกันทุกคนนะควรจเจริญกันทุกคน การที่เราได้เจริญภาวนาด้วยการฟังเทศฟังธรรมก็ดีหรือว่าเจริญสมาธิภาวนาด้วยการทําจิตใจให้เป็นสมาธิก็ดีหรือว่าการเจริญสมถะอันเป็นอุบายให้จิตใจสงบได้ชั่วครั้งชั่วคราวรู้รรเป็นครู่อ่าชั่วครู่ตัวอย่างก็เป็นบุญเป็นกุศลจนถึงที่สุดทําให้ในวารณนปกิเลสทั้งห้าสงบราบคาบจนได้อาชานนะจนได้ฌานและสุดท้ายก็คือเราก็จเจริญนิพพานากรรมฐาน ยกเอาสังขารขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาในที่สุดก็เราก็จะตัดกิเลสสมุดเฉททัตหารเข้าสู่มรรคนิพพานสมความมุ่ง ม, มา่นตั้ถนาได้แน่นอนที่สุดถึงว่าเราไม่ได้ถึงนิพพานในปัจจุบันชาติเราก็จะได้ในอนาคตหรือว่าเป็นปัจจัยในภพต่อๆไปขอให้เราทุกคนตั้งใจนะประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นนี่เรียกว่าภาวนาไม่บุญสําเร็จด้วยการจเจริญภาวนา มาในข้อที่สี่ก็คืออัิญายใหมยบุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่การประพฤติอ่อนน้อมทําตนต่อผู้ใหญ่ก็เป็นบุญอันนี้ตรงที่พวกเราไม่ได้คิดกันสังคมเราทุกวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการแข็งกระด้างกันมาแข็งกระด้างสมัยก่อนผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะสอนให้ผู้น้อยนี้คอยอ่อนอเรียกว่าคอยกราบก้มประนมกร นะเพื่อรับพรจากผู้ใหญนะ่อันนี้จริงว่ามีประโยชน์มากมีคำกลอนบทหนึ่งไว้ว่าอ่อนน้อมถํอกายจิตใจสุภาพซึมทราบใจชนทุกคนสรรเสริญกระด้างถือดีนี่มีจำเริญน่ารักเหลือเกินอ่อนน้อมถํอมตนคนที่อ่อนน้อมถํอมตนนี้พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ในจูลกรรมมาสูตรว่าจะเป็นคนมี ยศถาบรรดาศักด์สูงและมีตระกูลสูงแต่คนที่แข็งกระด้างอวดดีถือดีนั้นจะเป็นคนที่เกิดในตระกูลต่ำยศถาบรรดาศักดิ์ก็จะต่ำไปด้วยดังนั้นขอให้เราทุกคนมาอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้ท่านแบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือหนึ่งชาติวุฒผู้เจริญด้วยโดยชาติคําว่าผู้เจริญโดยชาติก็ได้แก่เช่นพระราชามหากษัตริย์หรือพระเจ้าลูกเธอลูกยาเธออะไรอย่างนี้ถือว่าผู้เจริญโดยชาติ ก็คือมีชาติสูงนะมีชาติสูงนะเราจะต้องเคารพกราบไหว้แม้ว่าจะอยู่ในวัยอ่อนกว่าเราพวกเราก็ต้องให้ความเคารพเพราะว่าท่านเป็นเสมือนว่าสมมุติเทพนะเป็นเทวดาโดยสมมุติแล้วพวกเราจะต้องกรบาบต้องไหว้โดยไม่ถือว่าท่านนั้นจะมีอายุมีชนสาน้อยกว่าเรานะประการที่สองวัยวุธผู้จเจริญโดยวัยก็คือผู้สูงอายุนั่นเองนะผู้สูงอายุเช่นว่า อายุมากกว่าเราเราก็ให้ความเคารพนะยิะ่งเป็นคนแก่คนเฒ่าอายุหกสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้าสิบนี้เราจะต้องให้ความเคารพมากการเคารพคนเฒ่านั้นไม่ใช่เพียงแต่ยกมือไหว้อย่างเดียวเวลาพูดก็ต้องอ่อนน้อมทำตนแล้วก็เวลาท่านจะเดินจะเหินไปไหนถ้าเราอยู่ในที่นั้นก็ช่วยจะคับประคองหรือว่าคอยจูงข้ามทางม้าลายจูงเดินข้ามถนนหรือว่าจะขึ้นบันไดลงบันไดเราก็ต้องช่วยคันจะคับประคอง อันนี้แหละเป็นการเคารพต่อผู้ใหญ่นะเป็นการเคารพต่อผู้ใหญ่เมื่อพบเห็นท่านก็กราบไหว้ตามโอกาสตามฐานะอันนี้ก็จะทำให้เราเป็นคนเจริญนะเป็นคนเจริญเป็นคนดีคนเฒ่าคนแก่ถ้ามีใครช่วยเหลือแนะน่นอนที่สุดก็ย่อมจะรู้สึกอุ่นใจดีใจก็ย่อมจะให้ศีลให้พรวาจาของท่านก็ศัก ด, ดิ์สิทธิ์ดี มาในประเภทที่สามก็คือคุณวุฒิผู้เจริญโดยคุณก็คือผู้เจริญด้วยคุณงามความดีนะผู้เจริญด้วยคุณงามความดีคนที่เจริญด้วยคุณงามความดีก็คือเป็นพวกนักปราดนะเป็นพวกนักปราดนะที่ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมนะอันนี้แหละให้เราทุกคนได้พบได้เห็นแล้วก็รู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนมีการกราบไหวเจรจาด้วยการอ่อนน้อมพูดจาเพราะเพราะไพเราะอ่อนหวานตามกาลเทศะ ก็จะจัดว่าเป็นอภิจารณ์นาไมาบ่บนสาเร็จด้วยการประพฤตอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่นะก็เป็นบุญมาในข้อที่ห้าเวี ย, ยวัจจะไม่บนสาเร็จโดยการช่วยนขนไควในกิจที่ชอบให้คําว่ากิจที่ชอบนั้นก็คือกิจที่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเป็นกิจที่ปราศ จ, จากโทษเป็นกิจอันวินยูชนไม่พึงติเตียนไม่ทึงกระหากิจเช่นนี้แหละเรียกว่ากิจที่ชอบดังนั้น อความเป็นคนที่มีจิตเอื้ออารอีอบอ้อมช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นโดยไม่ดูไดายกระทําขวนขวายในกิจอต่างๆอ่าต่างๆในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เราถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันบ้งที่เราก็คิดไม่ถึงว่าการที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นนั้นเหนื่อยเอาจะตายไปไม่เห็นได้อะไรเลยแตจริงๆแล้วมันได้มันได้แล้วเอพอเราไปช่วยเขาเนี้ก็ทําให้การงานนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีงานที่ใหญ่ก็กลายเป็นงานเล็ก งานเล็กก็สำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นงานยากก็สำเร็จง่ายยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่า น, นั้นการที่เราได้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นบ่อกเกิดแห่งความสามัคคีสุขขาสังคัสรสามัคคีความท่องเปลียนของหมู่ทำให้เกิดความสุขคนเราถ้าไปอยู่ร่วมกันมันก็มีความสุขในพูดในคุยได้ทักทายโอภาปราสายกันไม่เคยรู้จักก็ได้รู้จักที่รู้จักแล้วก็มีความคุ้นเคยกันได้ยิ่งขึ้นบางครั้งเราจะเห็นว่าที่ไหนมีงานเวลาพวกเราไปรวมกันก็มักจะคุยกันซี้ๆหัวเราะสนุกสนาน นี่มันเห็นชัดเลยว่าการที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันสุกจริงๆนะมันสุกจริงๆฉะนั้นนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งอีกเหมือนกันเรียกว่าวิยาวัจจะไม่นะไวิยาวัจจะไมมาประการข้อที่หกก็คือปฏิทานนามาับุญสำเร็จโดยการให้ส่วนบุญนะการให้ส่วนบุญก็ถือว่าเป็นทางที่ให้สาเร็จในการบําเพ็ญบุญอย่างหนึ่งนะการบาเพ็ญบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอุทิศให้แก่ผู้อื่น เพื่อรีบเร่งอนุโมทนาแล้วจึงแล้วจึงให้นะแล้วจึงได้อนุวัตตามห้ามมัดชริยะความหวังกันเสียเรียกว่าการให้ส่วนบุญการให้ส่วนบุญก็จัดว่าเป็นบุญปิยวัตถุหมายความว่าเช่นว่าบางครั้งเราก็ทําบุญอุทิศให้กับผู้ตายนะอุทิศให้กับผู้ตายอันนี้เราถือว่าเป็นปฏิทานทำมนะอุทิศให้กับผู้ตายที่ เราทําบุญห้าวันเจ็ดวันร้อย ว, วันอะไรอย่างห้าสิบวันร้อยวันอย่างเนี้ยเราก็อุทิศให้แก่กันเลยกันอุทิศให้แก่กันเลยกันอันนี้ก็ถือว่าได้บุญนะที่เราว่าอีทงังเมยาตีนังโหตุสุภิตาโฮตุยาตโยอข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศแลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งบูกหลานญาติมิศนิทกันคนเคยร่วมเคยรับสมัครใครขอจงได้ บุญกุศลผลของฉันทั้งเก่ารรมทั้งเจ้ากรรมในเวณและเทวันขอทุกท่านโมทนาทั่วหน้าเทินนี่อย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ส่วนบุญอย่างหนึ่งเป็นทางเท่เกิดบุญอย่างหนึ่งเรียกว่าปฏิทานนับใหม่ประการที่เจ็ดก็คือปัตตานาุโมทนาใหม่นี่มันใกล้กันนะท่านผู้ฟังปฏิทานใมกับปัตตานาุโมทนาใหม่บุญสาเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญนะ การชื่นชมอนุโมทนาส่วนบุญที่ผู้อื่นให้แล้วนะให้แล้วแล้วเราก็อนุโมทนาด้วยนะอย่างนี้เรียกว่าปัตตาอนุโมทนาใหม่คนสมัยก่อนนี้เวลาเขาไปทำบุญมาเวลากลับมาบ้านเห็นคนที่ไม่ได้ไปเขาก็บอกว่าอ้าววันนี้ยายฉันเอาบุญมาเพื่อนะนะคนที่บ้านก็ยกมือขึ้นรับบอกว่าสาธุหรือบอกขออนุโมทนาด้วยนะนี่แหละมันก็ได้บุญนะคนสมัยนี้ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจ ก็คือว่าเท่ากับว่าเห็นเขาทําดีก็อนุโมทนามุทิตากับเขาด้วยนี่แหละมันก็เป็นบุญ น, นะเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาเลยฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงประพทติปฏิบัติกันในข้อที่ว่าปัด ต, ตาอนุโมทนาใหม่บุญสําเร็จโดยการให้ส่วนบุญซึ่งกันและกันมาในข้อที่เก้านะข้อที่เก้าก็คือทำ ม, มัตสโณอ่าข้อที่แปดอ่าทำมัตสโณนาใหม่ ทำนะรรมัทสวนาใามัก็คือบุญสําเร็จ ด, ด้วยการฟังธรรมนะการฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญนะฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญความหวังประโยชน์หรือว่าการตั้งใจฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความทรงจําแล้วก็นํามาตรีตรองโดยอุบายที่ชอบและก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามที่ตนได้รู้ได้เข้าใจที่ได้ฟังมาก็จะได้ชื่อว่าเป็นการบาเพ็ญบุญอย่างหนึ่ง พระพุทธองค์จึงจัดไว้ว่าการเลนะธรรมัสวนังเอตมังขลามุตตมังการฟังธรรมตามการเป็นบุญเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นมงคลอันประเสริฐสุดเป็นความดีอันประเสริฐสุดคนเรานเมื่อได้ฟังและก็แน่นอนที่สุดก็ย่อมจะได้ข้อคิดใหม่ๆได้ฟังคิดเห็นใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆอานิสงส์แห่งการฟังธรรมจึงได้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าหนึ่งผู้ฟังย่อมไม่ได้ฟังสิ่งที่เคยได้ฟังก็สองสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วก็ ได้ฟังอีกข้อสามย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ข้อสก็ย่อมทําความเห็นให้ถูกต้องขอ 5, อ้อห้าจิตใจของผู้ฟังย่อมชุ่มชื่นสดใสเนี่ยตอบตรงว่างั้นเถอะนี่เป็นอ น, นิสงส์แห่งการฟังฉะนั้นขอให้เราตั้งใจอยู่ว่าในขณะที่ฟังนั้นต้องตั้งใจฟังฟังต้องให้รู้เรื่องนะฟังให้รู้เรื่องเมื่อเราฟังรู้เรื่องแน่นอนที่สุดบุญกุศลก็เกิดขึ้นการที่เราฟังรู้เรื่องประการสําคัญก็คือว่า ต้องฟังแล้วสามารถเอาบรรเทาความโลภความโกรธความหลงได้หรือว่าฟังแล้วบรรทมบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนได้อย่างนี้เขาเรียกว่าคนฟังเป็นนะเป็นอณิสง์ของการฟังแต่ถ้าเราฟังแล้วมันยังเกิดความทุกข์เกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงอย่างนี้ฟังไม่เป็นฟังแล้วขาดทุนนะฟังแล้วขาดทุนฉะนั้นทุกวันนี้ที่เราฟังเทศฟังธรรมกันไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็เพราะว่าเราไม่ตั้งใจฟัง ในขณะที่ฟังเทศเราก็มักจะคุยกันบ้างฟังเทศไอ้มือไม่ก็ทำนอนท ำ, ทำทนี่อะไรไปอย่างนี้มันก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะจะเห็นว่าสังเกตดูที่ไหนมีเทศในคนไม่ค่อยตั้งใจฟังกันไปฟังกันเป็นพิธีนะเป็นพิธีมันเหมือนกับว่าจะไปอวดตัวเองว่าฉันนี่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการฟังเทศฟังธรรมสนใจธรรมะธรมโมยิ่งมีการสวดพระอภิธรรมกันเนี่ยสังเกตดูเราไปก็ไปเป็นพิธีไปนั่งคุยกันพอสวดไปจบหนึ่งก็ยก ม, มือยอมรับว่าจบแล้ว ถึงเวลากินข้าวต้มกันก็อ้าวรีบลุกกันไปเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่เราไม่ตั้งใจฟังกันฉะนั้นขอให้เราตั้งใจฟังเถอะมันมีประโยชน์หลักของนักปราชญ์จึงบอกว่าสุจิปุริวิมุตโตขะสังโสรปิโตภเวว่าคนถ้าปราจะจากการฟังการคิดการถามซะแล้วนะการบันทึกไว้ก็เป็นนักปราชญ์ไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องอมีการฟังเป็นข้อแรกอ น, นี่ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งมาในข้อที่เก้าก็คือธรรมเทศนาใมา่บุญสมเร็จ ด, ด้วยการแสดงธรรม การตั้งใจแผ่ประโยชน์และก็ะแสดงธรรมสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ในที่สุดก็คือบอกศิลปะวิทยาการต่างๆอันหาโทษนีไ้ได้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเท่ากับว่าบอกทางดีชี้ทางชั่วให้กับผู้อื่นบอกทางสว่างให้กับผู้อื่นบอกทางสติปัญญาให้กับผู้อื่นอันนี้แหละถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราทุกคนควรประพฤตปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ก็อย่าไปชี้นะถ้ารู้แล้วเราก็ชี้ให้เขาเขาจะได้ไม่ลุ่มไม่หลงนะเขาจะได้ไม่ บอกนรกก็จะได้ขึ้นสวรรค์นะก็จะไปสุขตินี่ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งอันเกิดจากธรรมเทศนาใหม่บุญต้องสำเร็จด้วยการแสดงธรรมนะแสดงธรรมหรือบอกคุณงามความดีให้เกิดสติปัญญาแก่กันและกันมาในข้อที่สิบข้อสุดท้ายทิฏฐิชุ ก, ก ร, รมก็คือการทําความเห็นให้ตรงก็คือให้ถูกต้องนั่นเองคือการตั้งใจทําความเห็นของตนให้ตรงให้ถูกต้องตามทํามนองของธรรมอันเป็นที่ชอบเรียกว่าทําความเห็นให้ตรง อันนี้ก็หมายความว่าเห็นให้ตรงตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วและเมื่อคนเราทำคำเห็นนี้ถูกต้องแล้วแน่นอนที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นความสุขเป็นความเจริญเอาละเกี่ยวกับเรื่องการบรรยายในเรื่องบุญกิยาวัตถุศิลป์มาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร